ที่ที่จะมาสรุปตรงนี้ก็เพราะเรื่องปัญหาที่ค้างคาก็ไว้ยังไม่ได้ตอบนี่แหละก็เป็นคำถามที่ที่เก็บไว้ก็เลยเดี๋ยวถือเหมือนเหมือนทำงานค้างคาก็เดี๋ยวจะไม่คือ <c oughs> <c oughs> ทำให้เสร็จๆ เ, เลยนะให้จบแล้วประเด็นประเด็น เมื่อสักครู่ก็คือไปตอบไปไปสนทนากับผู้ปฏิบัติเพราะพ่งนี้อามาจะต้องเดินทางแต่เช้าก็เลยผู้ปฏิบัติมีปัญหาข้างคาเฉพาะส่วนส่วนตัวอามานี่นะก็ให้ถามเลยนอกนั้นเดี๋ยวท่านอาจารย์มหาอนาจแล้วก็มี สมณเณรโยยมจะสงสัยว่าเอ๊ะท่านอายุมากเลยทาไมถึงบวชเณรอยู่ที่จริงท่านมีความรู้นะไม่ใช่ไม่มีความรู้พระที่มาก็ามาเนี่ยอามาต้องคัดพระที่หรือเณรที่สามารถที่จะให้คำตอบโยมได้พอสมควรนะไม่ใช่เอาจะยอมเห็นเออเป็นสมณเณรจริงๆอามา มีความคิดยังปรารถนาให้ท่านศึกษาข้อวัดของสมมเณชก่อนเพราะท่านศึกษามาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสแล้วที่พอมามาก็าเออถ้าบวชเนรไปก่อนสักระยะหนึ่งเมื่อดูแล้วว่าทําข้อวัดในด้านของจารีสีนวารีสีนแข็งแรงแล้วต่อไปก็ ให้ศึกษาเออสามารถทรงปฏิโมกได้แล้วเมื่อไหร่ก็แต่นี้ก็เวลาบวชพระก็จะได้รักษาตนเองได้หลักการทีนี้เนาะแค่นั้นก็คือว่าทั้งมหาอำนาจก็ดีและทั้งสามเณรก็ดีนะก็ในสองวันที่เหลือก็สามารถจะให้คำตอบกับโยมได้ตลอดถึงคณะของโยมที่มาเป็นผู้ช่วย อันนั้นก็ผ่านการศึกษาและปฏิบัติมา น, นยมก็สามารถที่จะสอบถามได้นะสอบถามได้ส่วนอามาเนี่ยมีปัญหาที่เหลือแต่ไม่รู้ยังเหลือเออตรงนั้นอีกพยายามจะตอบให้ให้ให้ให้เสร็จนะตอบให้หมดประเด็นไปเพราะว่าถ้าปัญหาค้างคาใจเนี่ยมาเข้าใจนะว่า มันก็เป็นเหตุทําให้ยอมไม่สบายใจมันปัญหาไม่ได้ตอบนั่นแหละ เ, เรื่องนี้ถามว่าถ้าเราเห็นบางคนเอาอาหารและของอื่นๆที่เป็นส่วนกลางในสถานปฏิบัติธรรมไปให้คนอื่นแต่ไม่รับอนุญาตจากคณะอย่างนี้จะถือว่าเป็นบาปหรือไม่และจะจะเปรียบว่าของนั้นเป็นเสมือนของสง์ได้หรือเปล่าถ้าถ้าบาปผู้รับ กระทำบาปด้านไหนเออจะได้จะได้บาปด้านไหนเรอของของส่วนคนส่วนกลางหมายถึงส่วนกลางที่นี่ใช่ไหมอ น, น้มาไม่เออของที่นี่คงจะเขาก็ต้องมีเจ้าที่ดูแลอยู่แล้วนะคณะคณะเจ้าที่ดูแลเออเป็นส่วนกลางการปฏิบัติเอที่สถานที่ตรงนี้เวลายอมเข้ามา มาทําบุญเนี่ยมาก็ไม่รู้ระเบียบไม่เหมือนของสงฆ์นะถ้าของสงฆ์เนี่ยเขาจะถวายแด่ดสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ก็จะมีวิธีการปฏิบัติแต่ที่นี่คงมีกติก า, เอ า, าเอามาไม่รู้จริงๆนะที่นี่กติกาเขาตั้งไว้ยังไงแต่ก็เชื่อว่าคณะทํางานหรือเจ้าที่ทั้งหลาย เ, ยเขาต้องรู้กติกากันอยู่แล้วตรงเนี้นะกติกาที่ทําตรงนั้นพรดี๋ยวมาเออจริงๆมาหยิบมากเลยอ่านนะอ่านมางั้นประเด็นตรงนี้ก็คงไม่น่ามีอะไรเรื่องอาหาร ตรงนี้ถามว่ามีความเห็นอย่างไรคำกล่าวของพระสงฆ์บางรูปกล่าวว่าเราจะสร้างพุทธรูปกันทำไมมากมายทั้งที่เอาอิดเอาปูนเอาทรายควรจะสร้างพระพูดได้จะดีกว่าเออคำพูดอย่างเนี้ยเออต้องระวังนิดหนึ่งนะอันนี้คำพูดอย่างนี้ต้องระวงังเพราะว่าไปกระทบอะไรไปกระทบพระสรีรคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือนายช่างผู้ชานสละฉลาดเนี่ยเขาสร้างพระรูปของพระเจ้ามาเนี่ยเพื่อจะให้พุทธบริษัทเนี่ยได้เข้าใจพระสรีรคุณของพระเจ้าเนี่ยมีพระเนตรมีพระโอ์มีพระนราชมีพระพาหามีลำพระสอมีลำมีพระวรากายเนี่ยสิ่งต่างๆตรงนี้นะ เป็นเรื่องที่อ่าได้ฉะนั้นเรื่องพระพุทธรูปเนี่ยเราจะได้ยินที่หนักไปกว่า น, นั้นซึ่งเราจะได้เห็นว่าบางทีเนี่ยพระบางรูปเนี่ยนอกจากจะไม่ตําหนิอย่างเดียวยังมีการไปปฏิทศลายด้วยเป็นปฏิทศลายพุทธรูปด้วยเนี่ยการการศึกษาไม่ดีเนี่ยจะเป็นโทษจะเป็นโทษมากเพราะ หพระบรมสารีริกธาตุที่เกิดขึ้นจากพระวรากายของพระพุทธเจ้าสองสถานที่ประสูนยสถานที่แสดงพระธรรมมารือสถานที่ตัสรู้แสดงสถานที่พระธรรมจากและสถานที่เสด็จดับขันธปนิพันธ์และพุทธเจดีทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นนะ่ะอยู่ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นคนที่เข้าไปไหว้เนี่ยเขาไม่ได้ไปไหว้อิฐไหว้ปูน แต่เขาเห็นความงดงามของพระรีรัคุณอย่างเนี้ยในพระพทธรู ป, ท, ปรที่ประทับอยู่ที่ตรงเนี้ยเห็นไหมว่าเขาจะมีความงดงามมากนั้นความพดงดงามที่นายช่างที่ชาญฉลาดในการพยายามประดิษฐ์ประดาตกแต่งมาเนี่ยเพื่อจะให้พุทธบริษัทเนี่ยเห็นพระสรีรัคุณของพระเจ้าเนะ่มีความงดงามเหตุงดงามนี่มาจากอะไรมาจากทานบา ร, รมีที่ทามา 20สประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนหมากับมาจากศีลบารมีเนคขมา้าปัญญาวิริยะเป็นต้นมาจากกุศลที่ทรงธรรมอย่างประนีตอย่างเอกอุถ้าต้องการอยากจะรู้ในเรื่องนี้ญาติโยมสามารถไปดูในลัคณะสูตรในทีคนิกายปฏิกวรเป็นต้นหรือถ้าดูในชั้นของดีกาก็ดูในชินาลังกาลาดีกาอย่างนี้เป็นต้นนั้นไปดูคมภีเหล่านี้ที่ท่านพารนาว่า พระรูปของพระเจ้าเนี่ยที่มีความวิจิตบันจงงดงามเนี่ยมาจากกรรมประเภทไหนพระเจ้าทำกรรมอะไรจะมีพระรูปอย่างนี้แต่พวกเราไม่เคยเห็นพระวรากายพระเจ้าจริงๆในช่างที่ชาญฉลาดก็พยายามตกแต่งทำให้เหมือนที่สุดตามความสามารถตามสติปัญญาตามความมุ่งมั่นด้วยวิจิตบันจง เท่าที่จะทําได้แต่ไม่มีใครจะปั้นได้เหมือนได้จริงๆก็จริงอยู่แต่นั้นแหละเป็นเหตุทําให้เราได้เห็นพระรูปอย่างนี้แล้วจะได้ย้อนถึงกรรมที่ท่านทํามาย้อนถึงกุศลกรรมที่ท่านงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมงดเว้นจากการพูดเทศศอเสียดคําหยาเพือเจอ้อท่านไม่โลภไม่โกรธท่านมีปัญญาท่านทํากุศลนิวิจิตบรรจงและทําอธิกุศลที่มันยิ่งยิ่งและละเอียดประณี่ขึ้นไปเนี่ย ท่านจะมีพระวพาวรกายแบบนี้มีพระรูปอย่างนี้ท่านพระวรกายเหล่านี้ก็คือพระสรีรัคุณเรากราบเนี่ยเราคิดถึงท่านทําอะไรมาท่านถึงได้พระวรกายอย่างนี้เราละลึกถึงพระจริยาคุณของท่านจึงมีพระสรีรัคุณอย่างนี้แล้วก็ระลึกถึงพระพุทธคุณของท่านมีพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นที่เกิดขึ้นจากอาศัยพระวรกายเหล่านี้นี่แหละเป็นไปอยู่ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อรกายซึ่งเป็นรูปขันไม่ว่าจะเป็นนามธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจะมีทั้งเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณและมีปัญญาคือสัพัญญตญาณเป็นหัวหน้านั่นคือความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะทั้งพระจริยาคุณก็เป็นพระพุทธเจ้าพระศรีระคุณก็เป็นพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธคุณทั้งหลายซึ่งเป็นกลุ่นนามธรรมทั้งหลายน่ยที่มีปัญญาเป็นประธานเป็นหัวหน้า ก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นตรงนี้ทำาจอิดจากปูนแต่เราไม่ได้ไว่าอิดไว้ปูนถามอย่างนี้ว่ารูปถ่ายของพ่อแม่แล้วเราเอาไปไปเวดูพ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยเราทำไมไม่เอาขวานไปฟันดะลก็มันกระดาษนะเน่ยอาขวานไปฟันดิทำไมต้องถ่ายไว้ดูทาไม แต่เราไม่ใช่ว่ายกระดาษแต่คุณนะทาที่ท่านทําไว้ความดีที่ท่านวอนไว้กับลูกนั่นแหละในสมัยคุุงศการาไม่ได้มีการบรรลุมากมีใครที่บรรลุมากผล น, นิพพานด้วยอนาปานสติเจ้าค้าช่วยยกตัวอย่างพระโอ้โหแม่นั่งนะับมันไม่หมดเลยนะโยมนะเออพระพุทธเจ้านะ ภาษารีบุตรพระโมคคาณนะเอาคารวาส ด, ดีกว่านะคารวาสนะเอาคารวาส ด, ดีกว่าเพราะยกพระไปเยอะแยะหมดเลยนะคารวาสคือปุกกุสาติท่านปุกกุสาติอ่ะพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านฟังธรรมแล้วได้บรรลุต่อมาท่านเจริลยนานาปณสติเหตุผลดูดได้จากไหนมีอยู่ครัง้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านต้องการจะโปรดเพื่อนอยากให้เพื่อนของท่านน่ยคือเป็นพระเจ้าเป็นดินแฟนมคตนะแฟนมคตเนี่ยอยู่ไอแฟนมคตกับกับเมืองตักกศิลากับอากรณิฐานในปัจจุบันนี่อยู่ห่างไกลกันมาก อาภรณิษฐานปัจจุบันสมัยในครั้งพุทธากาลนั้นน่ะพระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นคือพระเจ้าปุกกุสาตินั้นเป็นปัจจันตชนบทเออเป็นปัจจันตประเทศเป็นประเทศอยู่ชายแดนในอากรณิษฐานนั้นมีเมืองหลวงคือเมืองตักศิลาฉะนั้นอาจารย์ที่สาปาโมกทั้งหลายตลอดถึงคณอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปเรียนกันที่นั่นในยุคนั้นก็เลยเป็นมหาวิทยาลัยดังแต่ไปอยู่ประเทศชายแดน แต่ดังมากครูบาอาจารย์ฉลาดฉลาดอยู่กันที่นูน้นแต่นี่เมืองนี้พระเจ้าไม่ไปในยุคนั้นแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีเพื่อนมีสหายก็คือปุกุษาตีนี่แหละจะทำยังไงนะจะให้พระเจ้าไปโปรดท่านก็บอกเออไม่ควรอยากกันนั้นเลยเราจะเอาพระธรรมเนี่ยไปเมื่อพระธรรมไปชื่อพระเจ้าไปด้วยท่านก็เลยว่าสมาทานศิกขาบท8ประการถือบทสถศีลแล้วให้พนักงานเนี่ยไปเอาแผ่นทองคํามา เอาแผ่นทองคำมาเนี่ยก็คืออย่างยาวเลยนะมะตีเป็นแผ่นทองคำแล้วท่านกระจาลึกพุทธคุณนะเขียนพุทธประวัติว่างกันเถอะแม้เพราะเหตุนั้นพระพูทมีพระเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระหารเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ที่พระองค์เองถึงพร้อมได้วิชา8จารณาสไล่ไปตามลำดับ อ้าพอเขียนพุทธคุณเสร็จแล้วพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยไล่ไปตามด่าว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงบำเพ็ญบารมีอะไรมาบ้างเขียนลงไปต่อมาก็เขียนพระธรรมคุณพระธรรมเป็นธรรมที่พุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงประกฏบชัดได้ตนเองเขียนลงไปแผ่นทองคําแล้วก็เขียนพรภาษาคุณสุปฏิบัตโนพระควาโตสาวะสังโคเป็นต้นไล่ไปตามลําดับจบสังคคุณเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็เขียนอาณาปณสติลงในนั้นเลย อรัญยาคโต ว, วาลูกมูรักคโต ว, วาสุญญาคาราักคโตวานิสีสติปัลางกลางอุชุงกายังปณิธายาสติงอุปเทเบตวาไลไปตามลำดับไปจนถึงโสสโตวาอัสติสโตวาสติเนี่ยทีครั้งว่าอัต ส, สันโตที่ครั้งว่าอัต ส, สามิติปะชานติเขียนไปตามลำดับนี่นะให้วิธีการเจริญอนาบานสติพอเขียนจบแล้วท่านก็ม้วนแล้วก็ใช้เพชรนินจินดาล้อมบูชาแล้วก็ห่อ ทำเป็นหชั้น6ชั้น7ชั้นเนี่ยนะมีเครื่องประดับแวดล้อมแล้วก็บรรจุใส่ของเครื่องอลังการละอย่างดีแล้วก็ให้กลุ่มอมาตะราชบริพารทั้งหลายอัญเชิญทำถนนตัดถนนจากแฟนมาโคตเนี่ยไปอับกนิฐานในปัจจุบันเนี่ยอินเดียถึงอับกนิฐานประดุ ด, ดังพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จเองและนี้แหละแล้วต่อมาพระเจ้าปุกุสาติเนี่ย ได้รับอย่างนั้นได้เห็นจดหมายอย่างนั้นก็บอกว่าอันนี้เป็นสองสําคัญมากเป็นรัตนนาที่ประเสริฐรัตนนาทิที่ปานนี่เป็นรัตนนาที่สูงสุดกว่ารัตนนาทั้งหลายที่มีอยู่ในจักราวาลทั้งสิน้นฉะนั้นถ้าท่านจะจะดูของในเนี้ยท่านจะต้องสมาทานึกขาบท8ประการและอยู่บนประสาทชั้นที่เจต้องดูคนเดียวด้วยท่านก็ขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นที่เจแล้วก็ห้ามไม่ใครเข้าหาแล้วท่านกระเปิดพอเปิดขึ้นมาพอท่านเห็นโอ้โหปาโมดปีติเกิด พรว่าพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วไงท่านก็อ่านแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยพออ่านไปเนี่ยปลาโมดเกิดปีติเกิดปัสธิเกิดสุขเกิดสมาธิได้อุปจารลสมาธิท่านก็ค่อยๆ ค, คมคมคมแล้วก็อ่านพระธรรมคุณได้สมาธิอีกอ่านพระสังกคุณได้สมาธิอีกสรุปแล้วท่านเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังกขุณได้แล้วต่อมาก็ จเจริญอนาณาปณสติกำหนดนี่แหละท่านกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกไล่ไปตามลาดับยังปฐมฌานทุติยฌา น, ต, า ต, านตัทยฌานจตุตฌานตั้งขึ้นนี่ได้ฌานฆราวาสนี่ฆราวาสได้เห็นไหมพอได้ฌานเสร็จแล้วส5บห้าวันท่านอยู่ในฌานสมาบัติไม่ลงมาข้างล่างในชั้นที่เจ็ดประชาชนมาล้อมราชวางังบอกว่า พระเจ้าแผ่นดินเราไปนหะยทําไมไม่ออกว่าเราจะอัจฉริยะว่างั้นเถอะพระเจ้ามีพิสารเอาอะไรมาหลอกพระเจ้าของเราอพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยนะท่านก็เปิดช่องหน้าต่างมาโอ้เขาอยากจะได้พระเจ้าแผ่นดินกลับคืนใช่ไหมเนี่ยท่านก็เอาพระขันมาม้วนเพราะเมารีคือผมตัดใส่ภาชนะใส่นะโยนไปเอา้าอยากได้พระเจ้าแผ่นดินนยนให้เข้าใจไหมแล้วนออมข้าท่านก็อธิษฐานเพศ เอาผ้ามาหม่มแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผ้านะเป็นเคราะวาดอธิษฐานเพศขอบัญชาขอน้อมได้ขมั่นท่านเดินลงจากปราสาทที่แรกไม่มีใครจําได้พอดูไปอา้านี่พระเจ้าแผดินของเราประชาชนก็ตามไงท่านเดินเท้าเปล่าถือภาชนะเดินประชาชนก็เดินตามไปไ ป, ไปมาก็ไม่ยอมกลับให้กลับก็ไม่กลับท่านเลยเอาขอพระขันมาแล้วขีด ขีดเส้นยาวแล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายยังเห็นข้าพเจ้าเป็นเห็นเห็นข้าพเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นยัง อ, อยู่ไหมบอกยังเห็นยังเป็นอยู่ถ้าอย่างนั้นเราจะลงอัจฉรยะถ้าท่านบูได้ก้าวข้ามรอยที่ขีดกันไว้แล้วให้ตัดศรีรษะคนนั้นเราจะตัดศรีรษะคนนั้นให้ขาดประชาชนก็พากันมนอนกลิ่งล้องไห้ท่านก็สละทุกอย่างทิ้งแล้วก็เดินไปคนเดียว เดินตามรอยเท้าเควียนด้วยพระบาทปล่าเพื่อบูชาพระเจ้าที่จะไปเฝ้าพระเจ้าที่แฟร์สมคตใช้เวลาเวดาเดินทาง92โยสิยอดยดละ16กิโลเดินเดินกลางวันเดินตามเควียนนะไม่ขึ้นเกวียนเพราะเคารพพระเจ้าแล้วก็ตอนกลางคืนก็เข้าสมาบัตินี่อตอนพระเจ้าพิพิสารตอนจะสวรรคต ที่โดนกักขังอยู่ในห้องคุมขังเข้าสมาบัติสมาบัติอะไรอานาปานสติเนี่ยคารวะคารวะนางวิสาขาพิจารณาจ า, ารานุสติศีลานุสติเป็นฐานแล้วต่อมาก็มาเดินนี่แหละจะอานาปานสติเวลาจะเข้าสมาบัติก็เอาสมาธินี่เป็นฐานออกจากสมาธิก็ไปเข้าพระสมาบัติของเธอที่ได้รายละเอียดเยอะ ในรายละเอียดเยอะดังนั้นสรุปแล้วถามว่าคารวาสเนี่ยเจริญอนาปนานสติได้ไหมได้พระหันอันในยุคก่อนเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพุทธบุตรของสาวกของพุทธเจ้าทั้งหลายเอ่ออ่ะเนี่ยอ๋อันนี้ม า, มาอ๋อวันนี้ใช่ไหมวันนี้ขอกระมาใช่ไหมตอนนี้เจ้าสงสัยเอามาจะ ตอบไม่หมดไมเดี๋ยวไม่หมดไม่เป็นไรนะโยมนะเนา อ, อผู้ที่ทำสมาธิจากการเพ่งกะสินออวิธีใดวิธีหนึ่งใน40วิธีไม่ใช้ลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ลมหายใจจะนำมาปฏิบัติต่อให้เป็นสมาสมามาที่ได้หรือไม่เออ ไอเพ่งกรสินเนี่ยถ้าหากในพระศาสนาของพระกันนเจ้าถ้าได้ฌานสมาบัติก็เรียกว่าเป็นสมาสมาธิเพราะตัวสมาสมาธิตามพุทธพจน์ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุติยฌานเนี่ยฌานทั้งสี่เหล่านี้เป็นสมาสมาธิพระตักถะถาฌา์ก็เลยมาสรุปบอกว่าเอาแล้พุทธพจน์บอกว่าสมาสมาธิตรงนี้ก็จริงแต่ในพระสูตรต่างๆกล่าวไว้เยอะไม่ว่าจะเป็นในทีขันิกรสีระคันทวะก็อรูปฌานก็เรียกว่าสมาสมาธิด้วย สรุปก็คือทั้งรูปประฌานสี่รูประฌาน4ี่เป็นสมาบัติ8ปดเขาเรียกว่าสมาสมาธิแล้วอัตถาเพิ่มให้ด้วยอุปจาแลสมาธิก็เป็นสมาสมาธิสรุปก็คือสมาบัติ8บวกอุปยาแลสมาธิเป็นสมาสมาธิ่แต่มีข้อแม้วงเล็บหน่อยที่จะเรียกว่าสมาสมาธิก็คือสมาธิที่นั้นต้องเป็นบาตรของการเจริญวิปัสสนาปัญญาเพื่อแทงตลอดอริยมรรคอริยผลแต่ถ้าได้สมาบัติเหล่านี้แล้วเป็นพวกกลุ่มฤาษีชีพาย ที่ไม่รู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นมิจฉาสมาธิต่างกันตรงนี้นะนี่คือจุดต่างพระพุทธเจ้าแสดงอนาปนาสติกับค า, ารวสบ้างหรือไม่ก็นี่ไงที่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเนี่ ย, นะ ย, อ ย, เ, ยเอ่อตรงนี้ตรงนี้ยอมจะเขียนคำตอบไปแล้วเดี๋ยวก็ให้ยอมก็แจกกลับไปเนาะเนี่ย โอ้โหดีเหลือเกินช่วยามาได้เยอะเลยเนี่ยเอาแต่แต่บางงานก็ยังเออเนี่ยนี้ที่ตอบไปแล้วแต่บางงานก็อาจจะไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวมาหาอนาจรับภาระาตอบนะวันต่อไปรับภาะตอบเดี๋ยวมาจะดูปัญหาที่รู้สึกจะหนักๆใจก็แล้วกันเอาการไหว้เจ้าแม่กวนอิมอที่ ฝ่ายมหายาเ น, นี่ยเนะี่ยเป็นพุทธฝ่ายมหายาเ น, นี่ยนะเน่ยให้ถามว่าไงนะการไหวเจ้าแม่กวรอิมนี่จะหมายถึงจะถามอะไรอ๋อเป็นเทวดาเป็นเทวตานุสติหรือไม่ใช่เป็นเทวตานุสติใช่หรือไม่ เออต้องเราไม่ทราบนะว่าเจ้าแม่กวนอิมตอนนี้ท่านเป็นเทวดาหรือเปล่าพราะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเพราะเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมาจากคติของมหายานเกิดมาในยุคหลังพุทธบรินณพานแล้วหลายหลายร้อยปีแล้วจะเป็นพันพันปีแล้วคติของเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อไวต่อสู้กับศาสนาฮินดูสายฮินดูไม่ใช่มีเจ้ า, จาแม่กวนอิมเท่านั้นสายมีพระเอาเอาโลติเกสวน นะมีหลายปางสายปางขอโบริษัทแต่ดังที่กล่าวไว้ว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยแต่ก่อนจริงๆนะีมีสองปางมีชายกวนอิมกับเจ้าแม่กวนอิมนะกำเนิดที่แรกจริงๆเกิดที่อินเดียแล้วต่อมาเคลื่อนย้ายไปที่จีนแต่ว่าปางชายกวนอิมนี่จุดไม่ติดแกระแสไม่เป็นที่นิยมส่วนเจ้าแม่กวนอิมนั้นนะ่ยจุดติดติดที่จีนก็ไปไต้หวันไป เ, เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ย้อนกลับมา แล้วว่านําเข้ามาอีกเข้ามาประเทศไทยตอนนี้ก็ก็ฟูเฟื่องกันอยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละนี่ถามว่าเป็นเทวดานุสติไหมเราไม่ทราบว่าท่านเป็นเทวดาหรือว่าสร้างกันขึ้นมาลอยๆเราไม่รู้เลยเพราะว่าเป็นการสร้างที่ในยุคนั้นก็คือว่าต่อสู้กันต่อสู้กันของฝ่ายกลุ่มมหายานไม่ใช่เทรวาสนะเพราะกลุ่มมหายานก็จะมีอะไรขึ้นมาเยอะหมด แต่ตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าถ้าเป็นเทวดาถ้าท่านเป็นพยยีเทวดานีก็เป็นถึงจะ เ, เป็นเทวดานุสติได้แต่ถ้าหากว่าพระพรหมอันนีชัิเป็นเทวดานุสติได้เพราะท่านเป็นเทวดาพระพรหมเนี่ยเป็นเทวดานุสติได้เพราะว่าพรหมก็ดีเทวดาก็ดีเนี่ยจัดเข้าอยู่กลุ่มเดียวกันน่กลุ่มเทวภูมิมนะ อย่างนี้เป็นเทวตานุสติได้ระลึลกถึงคุณของท่านนะแล้วคุณคุณคุณของท่านด้วยรนะลึกถึงศีลของท่ญญานระลึกถึงศรัทธานะคำว่าเทวตานุสติเนี่ยนึกถึงศรัทธาศรัทธาศีลสุตะจาระค้าปัญญาใช่ไหมนึกถึงเทวตานุสติเนี่ยวิธีระลึกระลึกยังไงระลึกว่าถามว่าท่านมีศรัทธาเราก็มีศรัทธา ท่านมีศีลเราก็จะมีศีลจะทาคุณธรรมคือศรัทธาศีลสุตตจารค้าปัญญาคุณธรรมของเทวดาเนี่ยให้เกิดขึ้นในต้นระลึกอย่างนี้วิธีระลึกเอามาเป็นคติไตราสรารณคมวิธีระลึกควรระลึกอย่างไรเวลาไหวระลึกถึงคุณของฮิริโอตะปะเนี่ยแล้วก็เมตตาพรมิหารของโพสสัต์ของเจ้าแม่กอนอินได้ไหมอะไรงเงี้ยน ออดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้าเป็นหญิงเนี่ยสมมติถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เขาเรียกอนิยตโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์ยังไม่แน่นอนไม่แน่นอนว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เพราะคติพระโพธิสัตว์คนที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องเป็นผู้ชายด้วยนะเราจะต้องดังที่ได้กล่าวว่าเยอะแยะไปหาเปิดฟังเอาในเรื่องสัมมาลาวิบาก มีมีะ้าจารย์บางท่านบอกว่าเวลาฟังธรรมต้องถอดถุงเท้าถึงจะเรียกว่าเคารพในธรรมะอย่างนี้ถูกต้องไหมขณะที่หลายๆแ ห, ห่งบอกว่าเพียงถอดรองเท้าก็พอพระพุทธเจ้าเคยตรัส ถ, ถึงสิ่งเหล่านี้บ้างไหมการการถอดรองเท้าการถอดรองเท้าเวลาฟังธรรม อันนี้ถูกต้องว่าต้องต้องเขาลบเออแต่แต่ถุงเท้าเนี่ยถ้าลองปลาลบอย่างนี้นะว่าเออเรามีเรามีโรคประจำตัวไหมให้นึกอย่างนี้ด้วยนะให้นึกนึกนึกอย่างนี้ด้วยหรือว่ามีอาการที่ว่าบางทีสุขภาพเราไม่ดีด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าเป็นไปได้ถอดดีที่สุดนะเพราะจริงๆไอ้กรณีของการ ของรองเท้าถุงเท้าเนี่ยถือว่าเป็นการไม่ไ ม, ไม่ไม่เคารพถ้ามีคนทําร้ายเราแล้วทําให้ฝังใจมาตั้งแต่เด็กควรจะคิดอย่างไรกับเรื่องนั้นๆและคิดอย่างไรกับคนที่ทําร้ายเราเอ อ, อย่างนี้เขาทําร้ายเราหนึ่งครั้งแค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งเนี่ยก็ควรที่จะไม่ควรที่จะเอาบางทีเนี่ยนะคนเขาด่าเราครั้งเดียว โดยมากเรามาด่าตัวเองอีกพันครั้งคนเขาประทุสร้ายเราครั้งเดียวแต่เรามาประทุสร้ายตัวเองเป็นพันเป็นล้านครั้งเพราะเรื่องนั้นจริงๆมันจบมาแล้วมันผ่านมาแล้วฉะนั้นการย้ำคิดย้ำย้ำทำเนี่ยเหมือนประทุสร้ายตัวเองเออมีบางคนเนี่ยถูกประทุสร้ายทางเพศเลยเนะครั้งเดียวแต่ต่อมาก็มาประทุสร้ายตัวเองอีกเป็นล้านล้านครั้งฝังไป แ ท, ท้จริงและสิ่งเหล่านั้นมันผ่านมาแล้วมันจบแล้วฉะนั้นควรจะคิดยังไงบอกว่าเออเนี่ยด้วยอกุศุลกรรมของเราก็ดีของเขาก็ดีเนี่ยเขาก็ทํากรรมใหม่เราก็รับกรรมเก่าแต่เราไม่ใช่ปลปธิชดใช้กรรมนะแต่ต่อไปเราจะระมัดระวังจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกต่อไปเราจะปฏิกรรมตัวเองใหม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ ต่อไปเราจะมาตั้งมั่นในพระธรรมของสอนของพระเจ้าเราจะไม่คิดแล้วทำให้จิตของเราเศร้าหมองแต่เราคิดทีไรแล้วเราจะสมาทานว่าต่อไปเราจะมาละมัดระวางังจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตของเราอีกนี่แหละเนอะอาอักขศลกรรมให้เข้าใจความจริงของชีวิตอย่างนี้ก็ให้สงสารเขานะส่วนมันจะเขาทำผิดแล้วเขาต้องรับผลของการการะทาอันนั้นก็เป็นเรื่องกรรมเรื่องกรรมที่เขาจะต้องทา ถ้ามันเป็นกฎสมมุติที่เขาวางกติกา ย, ยังไงเขาถูกจับถูกลงโทษอย่างไรอันนั้นก็อย่าไปซ้ําเติมเขาก็ถือว่าสาัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองวางนั้นเถอะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้เข้าใจเหตุเข้าใจผลไม่ประทุสล้ายตนเองต่อนะคนฉลาดจะไม่เบียดเบียนตนเองนพะพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีทุกข์อย่าเอาทุกข์อย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์บางทีมันทุกข์ครั้งเดียวเนี่ย แตยเอาทุกนั้นมาทับถมตนเองซ้ําแล้วซ้ําอีกหรืออย่างคนบางคนเนี่ยนะร่างกายก็ปกติดีๆเนี่ยแต่เอาเหล้าไปใส่ตัวเองใช่ไหมเอาเหล้าเออเอาสิ่งที่เสพติดไปประทุษร้ายตัวเองนี่เขาเรียกว่าไม่มีทุกแท้แต่ชอบเอาทุกมาทับถมตนที่ไม่เป็นทุกขประการต่อมาก็คือว่าโดนว่าแค่ครั้งเดียวแต่เรามาประทุษร้ายตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มีทุกมากขนาดนั้นแต่เรามาประทุษร้ายตัวเองซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเขาเรียกไม่ปาณีกับตัวเองนะ เหมือนกลุ่มนิครณหน้าตบุตรวิธีปฏิบัติเนี่ยกลุ่มนิครเนี่ยเออเขาก็ดีๆเนี่ยเาคิดว่าทรมานร่างกายตนเองเนี่ยสามารถทำให้พ้นทุกข์ได้อันนี้คือการปฏิบัติที่ผิดอดีตฉันเคยแท้งลูกมีพระรูปหนึ่งเคยบอกว่าเด็กที่แท้งแต่ยังไม่หมดอายุไขและไม่เป็น อ, อไและไม่เป็นและไปเป็นอสุรากาย จริงหรือไม่ถ้าจริงอสุรกายถ้าสามารถอนุโมทนาบุญได้หรือไม่ถามว่าแทงลูกมีพระรูปหนึ่งเคยบอกว่าเด็กคนนี้แท้งแต่ยังไม่หมดอายุไขคำพูดเหล่านี้มันขัดกันอยู่ในตัวนะขัดกันอยู่ในตัวแล้วถามบอกว่าพระที่ท่านบอกว่า รู้ว่าท่านบุญนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นอสุรากายเนี่ยอันนี้ฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าคนที่จะรู้จุตติและปฏิสนธิได้อย่างชัดเจนและถูกต้องมีองค์เดียวแค่นั้นแหละคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมีสัพพะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่โตเทยะเศรษฐีตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นจุตติปฏิสนธิชัด และต่อมาโธ่ทะยะพามซึ่งเป็นลูกของโต่ทยะเศรษฐีก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยพ่อตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขเป็นต้นเนี่ยพุทธเจ้าจะรู้คติเหล่านี้พอรู้พุทธเจ้ารู้จุดติรู้ปฏิสนทีแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านรู้เนี่ยท่านไม่พูดถ้าท่านเป็นพระอรหันต์จริงยกตัวอย่างเช่นพระโมคคัลลานะท่านเห็นเปรตตอนที่ท่านลงจากเขาคิ้จกูท่านก็แย้มแย้มยิ้มยิมท่านจะไม่พูดเด็ดขาดเพราะพูดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าจะเป็นเหตุ ทำให้คนลังเล ส, สงสัยเชื่อบางไม่เชื่อบอ้างนี้เป็นต้นจนมาหยดต่อหน้าพระเจ้าท่านจึงพูดเพื่อให้พระเจ้ารับรองอันนี้ว่ากันอีกทีในยุค ป, ปัจจุบันนี้ในกรณีอย่างนี้เราจะเจอสถานการณ์เยอะและยิ่งบอกว่าตายแล้วไปเกิดเป็นอสุรกายถามว่าเป็นอสุรกายเนี่ยถามไม่หมดอยายุไขได้งไงแปลว่าคนเราเนี่ยถ้าเปลี่ยนภพก็คือหมดอายุหมดทันทีตายไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ได้ตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ไปเป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ต้นก็ได้ นั้นตรงนี้ก็ฟังหูไว้หูไว้ก็อย่าไปอย่าไปเชื่ออะไรที่มันมันไม่อยู่กับเหตุและผลนะวางวางใจให้เป็นแรงอธิษฐานมีจริงหรือไม่ถ้าเราหมั่นอธิษฐานเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบ่อยๆจะรับตามนั้นไหมคำว่าอธิษฐานเนี่ยเข้าใจใหม่ไม่ใช่ร้องขอรอผลดนบันดาลนะอธิษฐา น, นบา ร, รมีแปลว่าอธิษฐานแล้วทําเช่นพระเจ้าอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้ตัสรู้นุตตะสัมมาสัมป ري ยานจะไม่ลุกขึ้น เนื้อและเลือดจักแหกเหือดแท้งไปจะเหลือแต่นหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมพวรญาณแล้วจักไม่ลุกจักนะบลังนี้เห็นไหมอธิฐานแล้วทำคำว่าอธิฐานว่าขอให้บรรลุขอให้หลุดพ้นเนี่ยขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์อธิฐานเนี่ยเมื่ออธิฐานแล้วก็รักษาไม่ถอนความตั้งใจมุ่งมั่นเพียรพยายาม เพื่อจะให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมปอริยาณไม่ได้ไม่เลิกไม่ได้ไม่เลิกเพี้ยรพยายามอยู่แล้วชาติแล้วชาติเรานี่อธิษฐานไม่ใช่อธิษฐานเช่นไปหาหลวงพอ่อโสธรว่าขอให้มีลูกชายเถอะแล้วก็มานั่งรอผลอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ร้องขอโดยมากคนเข้าใจกันผิดไปที่หลวงพ่อวัดไร่ขิงก็ดีไปที่เนี่ยพระวัดพระแก้ววรกรเป็นต้นอย่างนี้ก็ไปร้องขอรอผลโดยบันดาลไม่ใช่อธิษฐาน ว่าให้เจอสิ่งที่ดีงามแต่ทำความดีภาษาไทยเนยมันมันกลับกันเหมือนว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งศ า, าสนาใช้คําว่าขอแต่จริงๆคือเราสมาทานศีลรักษาศีลปฏิบัติแล้วก็มุ่งมั่นทําอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเห็นไหมอธิษฐานเป็นสำนวนขอแต่เรารู้ว่าให้ทำนะสำนวนใช้คําว่าขอแต่ให้ทํา ไม่ใช่อธิษฐานเสร็จแล้วก็มากินเหล้ารอหรือว่ามาทำบาปลอเดี๋ยวผลมันจะตามมาไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเออมีการทำทานเช่นบริจาคเงินแต่นำไปโมทนใบโมทนาบัตรไปหักค่ารถยนอนภาษีจะได้บุญหรือไม่เออคนละส่วนคนละส่วน เ, เดี๋ยวพอพูดถึงตรงนี้หลายๆคนก็เออการให้การให้เนี่ย กติกาเนี่ยกติกาของสังคมเนี่ยเมื่อกฎหมายบ้านเมืองเขาออกมาอย่างนี้แต่ให้ทานเราให้ให้สละค า, าแต่เมื่อมีกฎสมมติที่เขาบัญญัติออกมาว่าส่วนนี้ลดหย่อนภาษีได้เราก็บอกเออดีแล้วเงินส่วนนี้เราจะได้มาทำประโยชน์ให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเอวิธีชาวพุทธเนี่ยไม่ชาร์ลฉลาดในเรื่องของการให้เสียภาษี ยอมคิดไหมว่าเสียภาษีนั้นคือการทําบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะเงินที่เสียภาษีไปเนี่ยเป็นการให้คนทั้งประเทศและในนั้นเน่ยเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ด้วยเกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยฉะนั้นทุกคนถ้าเสียภาษีให้น้อมบูชาพระรัตนตรัยส่วนหนึ่งด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่านี่ไงผลของทานกุศลที่เราทําเราเห็นถนนไหมเราเห็นประปาเอ่อเราเห็นสถานที่สาธารณะทั้งหลาย นี่ไงทานของเรานี่หมาทานกุศลที่เราได้ทําลงไปมันจะได้ชื่นใจนั่งรถไปตามสนนหนทางต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ไงผลของทานกุศลของเราที่เราทําไว้ว่างั้นเธออันนี้ก็เป็นทานของเรานี่ก็เป็นทานของเราเห็นสวนสาธารณะนี่เป็นทานของเราเห็นสะพานลอยก็เห็นทานกุศลของเราใช่ไหมเห็นสถานที่ราชการทั้งหลายนี่ทานกุศลของเรามันชื่นใจอย่างเงี้ยเพราะเราจ่ายทุกปีเห็นไหมจ่ายทุกปี เป็นค่าน้ําค่าไฟค่าประปาค่าอะไรต่างๆค่ารถเมล์ฟรีทั้งหลายเหล่านี้นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นผลของทานกุศลของเราเท่านั้นแต่ถ้าเรามองให้เห็นคิดให้เป็นมันจึงจะเป็นทานกุศลนี่คือความเข้าใจบริบทของทานกุศลแล้วใจเราจะไม่เป็นทุกข์แล้วมันจะชื่นใจชื่นใจทั้นกลับย้อนอะไรเปลึกใหม่ที่เราเสียภาษีโรงเรียนบ่งภาษีอะไรต่างๆแม้นซื้อของโดนหักค่าแวร์็ดเอะไรต่างๆนี่เป็นทานกุศลของเรานะีชื่นใจไหมถ้ารู้ความจริงอย่างเนี้ แต่โดยมากเราบอกหูน่าเครียดเลยหูทำไมเสียภาษีปีนี้เสียเยอะเกินถ้านี้ไม่เป็นทานถ้าทานกุศลต้องปลื้มใจไหมหนึ่งไม่เป็นชั้นทะาทานังอะ่ะไม่ให้ไม่ลำเอียงพอลักใช่ไหมให้ด้วยศรัทธาเชื่อมัน่นเชื่อมัน่นสองให้ด้วยความนอบน้อมสามก็คือให้สลาขาดสี่ให้ถูกกาลเวลาเข้ามาเก็บปีหนึ่งให้ถูกกาลเวลาเลย ห้าก็ให้โดยไม่กระทบตัวและบุคคลอื่นก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสายให้แล้วก็ปื้มใจเป็นไปกัาญาปัญญาดีไหมเนี่ยนี่ทานกุศลเข้าใจอย่างแต่เนี่ยเออมารีบสรุปประเด็นตรงเนี้ยสองทุ่มยี่สิบห้านาทีอะไรอ๋อ เขาจะเริ่มทำพิธีขอขมาใช่ไหมใช่ไหมอ๋อมาอ่านฮะอ๋อนี่กี่ทุ่มแล้วอ๋ออ๋อขอให้พระอาจารย์เล่าถึงพระีิยาเมตใจว่าทำไมถึงมีอาการในที่ฐานเกิดในยุคท่านที่มาเกิดในเป็นพระเจ้า เสีเยเมยตยนันคือพระสังกจจยพอดศาสตร์ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะพระเสียเยเมยตายกับพระสังกจจยนะพระสังเออเอ่เอที่โลภทันอุอนๆหน่อยใช่้าอะไรนะเขาเรียกพระพระสังกจจยจริงๆแล้วคือใครนั่นนะ้ามหากจายนะโยม พระมหากระจายนะนี่เป็นสาวกพระเจ้าองค์ปัจจุบันไม่ใช่เป็นพระศรยะเมตย์ที่จริงพระมหากระจายนะเนี่ยท่านงามมากท่านมีรูปงามมากจาง ก, กระทองเลยงดงามมากทีนี้ความที่ท่านมีรูปงามนี่แหละเป็นเหตุทําให้โสเรยาเนี่ยที่เป็นผู้ชายไปเห็นเข้าพอเห็นเข้าขึ้นมาก็ดันไปเกิดตัณหาเกิดราคะขึ้นมาบอกอื้อหือ ถ้ารวมนี้งามแท้อยากจะเอามาเป็นภรรยาหรือเกินเนี่ยนะได้จิตลามกที่เกิดขึ้นพอคิดอย่างนั้นนะ่ะร่างกายเปลี่ยนฟื้จากชายเป็นหญิงทันทีเลยบาปบาปไม่ให้ผลเพราะอะไรหนึ่งเพราะท่านออกจากนิโรธสมาบัติคนที่ออกจากนิโรธสมาบัติถ้าไปทําดีกับท่านให้ผลภายในเจ็ดวันตั้งแต่ขณะนั้นจนถึงเจ็ดวันเนี่ยให้ผลทันทีอันนี้ท่านออกจากนิโรธาสมาบัติไปคิดชั่วกับท่านโอ้รวยแท้ ้วยแท้เป็นเป็นผู้หญิงเพราะเป็นผู้หญิงว่าก็ไม่กล้าเพราะตอนนั้นมีภรรยาและลูกด้วยเป็นลูกเศรษฐีด้วยโสระยะ ท, ทำยังไงต่อเฮ้ยไม่ไหวแล้วรีบหนีออกเดินไปเรื่อยๆืเรืยเห็นเกวียนไปก็เดินตามเกวียนไปเดินไปเรื่อยๆงามมากเป็นผู้หญิงงามมากผู้หญิงโสรยะโสระยะเนี่ยที่ไปตำหนีพระเทระนีนะเอ๊คนที่นั่งบนเกวียนก็นึกถึงโอ้โห หญิงคนนี้งามมากอย่างนั้นเลยเราจะเอาไปให้นายเราก็เลยเชิญขึ้นมานั่งบนเกวียนแล้วไปเนี่ยโสเรยะเลยไปได้ได้สามีได้สามีมีลูกอีกสองคนแล้วอยู่ต่อมากานั้นน่ย ท, นท่านท่านทาปฏิกรรมตัวเองแล้วกมนั้นหมดกาลังก็กลับเป็นชายแล้วท่านมาบวชต่อมาได้บรรลุท่านบรรลุเป็นพระหลารแล้วนี่กำหนักไหม นี่แหละเหตุตรงนี้ต่อมาท่านเลยอธิษฐานด้วยฤทธิ์ของท่านให้ร่างกายของท่านเป็นอย่างนี้เอายุ่งอีกวันหนึ่งท่านเดินลงจากเขาคิชกูดวัสการาพรามซึ่งเป็นอามาตประ จ, าาจําเำราชตระกูลของพระเจ้าอาชาติสตรูเห็นโอ้ท่านออกจากนิโรธาสมาไปตําหนีท่านโอ้พระเทระนี้อย่างกะลิ ง, งนี่เนี่ยไปว่าชวยอีกไหมคนเนี้ยชวยอีก และวพระเจ้าบอกว่าเนี่ยวัดสกร า, าราพามถ้าไม่ขอเข้ามาว่าเถอะละตายแล้วจะไปเกิดเป็นลิงหางโคในป่าเวรุวันใ น, ในวัดเวรุวันอธิษามว่าวัดสกร า, าราพามพอรู้อย่างนั้นปุ๊บเชื่อไหมเชื่อเชื่อเพราะดำหลัดพระเจ้าหนึ่งไม่มีสองแต่เป็นคนทิฏฐิมานะจัดคนเช่นเราเนี่ยไม่เห็นเป็นไรถ้าเป็นลิงแล้วก็เป็นลิงจาง่าฝูง แล้วต่อมาตายก็เป็นลิงจริงๆด้วยนี่ซวยไหมเนี่ยการยุ่งกับพระอริยะเป็นแบบนี้แหละเพราะวางใจกับท่านไม่เป็นส่วนพระศิยยะเมตไตรในปัจจุบันในศาสนานี้ท่านมาเกิดเป็นพระพิสูุชื่อว่า อ, อ, อชิตาภิคุปนะท่านมาบวชในศาสนานพระชินพเจ้าองค์นี้ท่านได้รับพยากรณ์ตอนนี้ท่านอยู่ชั้นดุสิตอีกหนึ่งอสงไข่ว่ า, วาท่านจะมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้า ไม่มีเวลาเล่ารายละเอียดถามท่านมหาอนาถเล่าให้ฟังนะเรับเอาท่านมหาอน า, าจเล่าให้ฟังรายละเอียดตรงนั้นสมควรนี้ยังมีอะไรเพริ่มเติมไหมส่วนนี้ปัญหานี้มันจะมีที่ไม่ได้ตอบก็มีเดี๋ยวก็แล้วก็มีที่โยมเขียนข้อมูลตอบไว้ให้อาจจะมีโยมเข้ามาอ่านหรือใครมาอ่านวันต่อไปนะส่งกลับคืนไปเอาไปอ่านเอาเองที่บ้านดีไหม นี่วิโยมุสสาเขียนคำตอบให้ก็นามุทนานอกนั้นสรุปตรงนี้นะว่าอมา ก, ก็อาจจะมีคำพูดใดๆนะที่อาจจะหลุดประเด็นพระมารีพูดนิดหนึ่งอยากจะให้พวกเราได้ข้อมูลมากๆเพราะชีวิตเนี่ยไม่แน่นอนเมื่อเดินออกจากกันแล้วเนี่ยไม่รู้ลมให้ใจใครขาดก่อน นั่นคือความจริงของชีวิตอย่าประมาทบางทีเราคิดว่าอ้อเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสมาเจอกันอีกอันนี้คือความไม่แน่นอนนะแต่ทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยเมื่ออยู่บนความไม่ประมาทแล้วจงระดมความเพียรเจริญกุศลเมื่อจิตของเราเนี่ยเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยชื่อว่าตอนนั้นน่ เราก้าวเข้าหาความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องและแท้จริงนั้นการตั้งมั่นอยู่กับกุศลเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดนั้นเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญานะีตั้งมั่นก็เชื่อเราตั้งมั่นอยู่ในคุณของพระราตนไตรถ้ามาชอบ <c oughs> ใจพระเทระเนี่ยไม่ใช่คือพุทธบริษัท ที่ท่านมีความมั่นคงในพระรัตนตรยัยไม่ว่าจะเป็นธรร ม, มายุนะไม่ว่าจะเป็นเทา้กกาสกะไม่ว่าจะเป็นนางพรามณีธนัญชาญีพรามเป็นต้นนะหรือไม่ว่าจะเป็นอรารวายักอรารวายักเนี่ยท่านจะบอกว่า โสอาหังวิจาริสามีคามาคามา ป, ปุราปุรังนัมัสมาโนสามพุทังเป็นต้นเนี่ยบอกว่าข้าพระเจ้านี้จากเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนามาสการความตัดสูดววดรร้ดีของพระเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของบร r i a สงฆ์ฉะนั้นเราอยู่หน้าที่ไหนแห่งขนตำบลใดจงผิดหน้าหันหน้า นอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้พระราตนตรัยเนี่ยอยู่ในกระแสะความคิดของเราฉะนั้นตรงนี้ก็คืออามาบรรยายมาเนี่ยวันหนึ่งสองสามตามดับมาจนถึงวันที่หเนี่ยนะในวันที่ห้าเนี่ยอาจจะมีคำพูดใดๆนะที่กระทบกระเทือนใจนะพรมาเนี่ยบางทีอาจจะตอบเร็วไปแต่มาหวังดีนะคำพูดบางอย่างมันเหมือนจะ แต่มาพยายามรักษาจิตตนเองตลอดที่จะไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในการตอบปัญหาในการให้ข้อมูลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอานาปนาสติณสถานที่แห่งนี้ที่สอนเป็นไปตามระบบอย่างนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนี่แหละครั้งแรกของโยพุธนี่แหละที่จะมีการสอนเป็นไปตามลําดับและมีการฝึกนี่นะัพวกเราทั้งหลายก็เอามาเตรียมซีดีมีสอง 2อเวอร์ชันในสองสองอย่างอย่างแรกนี่เต็มเลยเต็มบริบูรณ์เลยน่าจะอยู่ประมาณเกือบ60สบชั่วโมงพอฟังไหมไหวไหมอา้าวใครไม่ไหวยกมือขึ้นและอย่างหลังก็น่าจะอยู่ประมาณสักยสบกว่าชั่วโมงนะแล้วก็ทางนี้เดี๋ยวโยุพทธคงทำออกมาอีกก็คงจะได้ประมาณ เกือบ20สชั่วโมงฉะนั้นพวกเราน่าจะฟังกันได้เกือบหกเดือนถึงปีฉะนั้นยอมมียอมยอยู่ท่านหนึ่งว่าเดี๋ยวด้ได้เจออาตมาฉะนั้นถ้าฟังก็ได้เจอทุกวันดีไมด่ดีก็คือได้ฟังทุกวันแต่จริงๆแล้วอามากล่าวให้นึกถึงพระเจ้า่าไม่ต้องนึกถึงอาตมาหรอกพะอมาเนี่ยเป็น เศษเล็บเศษหนึ่งใต้อุ้งพระบาทเป็นธุลีเล็กๆนะใต้อุ้งพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นเศษธุลีเล็กๆนะใต้พระบาทของพระพทธเจ้าเท่านั้นแหละนะามาพอรู้พระธรรมได้ระดับหนึ่งก็อามากล่าวคอยพวเกเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้าและอริยสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้า ความดีใดๆที่อามาได้ทำก็ถือว่าอามาบูชาพระรัตนตรยัยนะบูชาพระรัตนตรยัยเมื่อโยมประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามที่ถูกต้องอามาก็จะได้กุศลนั้นด้วยอามาหวังตัวนี้อามาถึงเพียรพยายามบอกในสิ่งที่ถูกที่ดีที่งามตามสติ ก, กำลังตงนเองที่จะทำอะไรที่ผิดอามาจะไม่บอก พ่อมากลัวกลัวบาปอันนั้นมันจะตามให้ผลอตมาปุรณาคกส ป, ปะมคคาริโคสาลอาชิตาเกสกัมพลปะกุทธากจายณนะนิคนนาตบุตรสัญชัยเวรับุตรทั้งหกท่านเนี่ยครูทั้งหเนี่ยท่านจมอยู่ในอวัยภูมิไปนอนหงายท้องอยู่ในเอเวจีกลุ่มพวกนี้ก็เป็นวัตขานุ เป็นตอของวัตะไม่สามารถจะพ้นจากวตฏฏะได้อมมาไม่ต้องการเดินนั้นทะนั้นสิ่งที่ไม่ถูกอมมาจึงไม่ไม่ทำเพราะอมมาไม่อยากจะฆ่าตัวเองไม่ต้องการให้ตัวเองเนะี่ยจมอยู่ในวัตะอมมาไม่รู้จะเอาไปทำไมเกียรติยศชื่อเสียงลาบรดยอดเล็เงินทองแต่มาต้องการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระริยสงฉะนั้นที่ทำทั้งหมดเนี่ย ปรารถนาให้เราเอามามีหน้าที่เพียงแค่ว่าเชิญชวนให้เราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินตามพระธรรมเพื่อเป็นพระอริยสงฆ์ในอนาคตอามามีหน้าที่นำพวกเราให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพวกเราถึงพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายอมกับมาก็ก็ไม่ต้องมีอะไรกัน อามาได้ทำหน้าที่ของอาตมาแล้วอามาชื่นใจตรงนั้นแหละชื่นใจตรงที่ว่าได้ชี้ทางบอกว่าโยมให้เดินทางนี้นะถ้าไปตรงนี้แล้วโยมจะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้เข้าถึงพระธรรมแล้วก็ได้เปลี่ยนจากอนาระยะเข้าสู่ความเป็นอริยชนนี่คือเจตจำนงที่มาตั้งไว้อย่างนั้นไม่ว่าจะไปในที่ไหนก็ ท้ายที่สุดแห่งการแสดงธรรมในคืนนี้ก็จะมีการขอขามาก่อนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอขามาก่อนกด้ก็ขออ้างอิงกับคุณของพระศีรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของปริยะสงตลอดถึงคุณความดีทั้งหลายโดยเฉพาะ ให้เราท่านทั้งหลายนึกถึงพระจริยาคุณของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญพรญบารมีมาอย่างยาวไกลพระสรีระคุณที่เราเห็นจากรูปปั้นทั้งหลายและพระพุทธคุณที่ยังอยู่กับเราตลอดไม่เคยไปไหนเลยทั้งพระจริยาคุณพระสรีระคุณพระพุทธคุณยังอยู่ในใจของอริยาสาวกและในพุทธบริษัท ที่ดันเดินได้อย่างถูกต้องข้ออนุภาพแห่งคุณของพระรัตนตรัยนั้นนะ่ะจงเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนนําพากระแสชีวิตของเราโยคีผู้ปฏิบัติที่มาประพฤติปฏิบัติในครั้งนี้นําพากระแสชีวิตของเราเดินตามรอยบาทรพระศาสดานี่แหละเดินตามศีลสมาธิปัญญาจนสามารถได้คณิกส ะ, ะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิ และให้เหล่านั้นเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่ระดับวิปัสสนาญาณได้ทุกระดับตั้งแต่นามรูปปริเฉตญาณปัจจียพฤกษาย า, เาณเป็นต้นไปจนถึงมรรคญาณผลญาณทำโสดาบลิมรรคโสดาบลิผลสกาธาคามีมรรคสกาธาคามีผลอานาคามีมรรคอานาคามีผลอรัตมะกัลลัตถผลให้เข้าถึงอนุปาทาปริณิพานคือการดับวัตทุกขด้วยการทุกท่านทุกประการทูต